พวกอยู่วัดส่งกันบ้านใครจะส่งก่อนอมไม่ได้ยินต้องพูดดังๆ็งดีขึ้นนะ มันไม่ได้เพ่งแน่นๆเหมือนเมื่อก่อนต่อไปนี้เราทําอะไรเราก็บริกรรมไปเรื่อยๆบริกรรมไปแล้วก็เวลาใจเราเกิดความเปลี่ยนแปลงคอยรู้เอาบริกรรมแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไปตอนดูอะไรไม่รู้เรื่องเราก็บริกรรมไปแล้วพอใจมันกระทบอารมณ์ ตาหูจมูกเล่กันใจกระทบนะความรู้สึกมันเปลี่ยนค่อยมีสติตามรู้ไปนะโอเคแต่จิตหนตูตอนนี้อยู่ข้างนอกนะออรู้สึกไหมนะจิตมันต้องเข้าฐานแต่มันเข้าไม่ได้ตลอดไม่เป็นไรเรารู้ว่าตอนนี้จิตออกนอกก็ใช้ได้แล้ว ไม่ไม่ใช่บังคับไม่ให้มันเข้าถ้าบังคับให้มันเข้าอย่าเพ่งจิตหลงแล้วรู้แค่นั้นพอระวังใจฟุ้งร้างคนเคยเพ่งอะ่ะพอหยุดเพ่งน้ําจะฟุง้ง อ, อะไรนะ นั่นแหละหายใจไปด้วยนะบริกรรมอย่างเดียวเอาไม่อยู่ใจเราหนีเก่งวันนี้ดีกว่าเมื่อวานดูออกไหมล่ะอหไไปทำอีกพี่นาความตายนะอืม ต้องตัวเองตายสินี่นาไปพอตายแล้วว่ามันเป็นยังไงร่างกายเนี้ยกรรมฐานถ้าลงถึงมรณสติเนียนะให้แน่แค่ไห น, นดิ้นรนแค่ไหนก็ลงมันคือไม้ตายแล้ว ก็ลงจะตายแล้วะจะเอาอะไรอเนี่ยหลวงปู่เทศท่านสอนไว้ว่าไม่ตายเลยถ้าใจมันดื้อด้านนักพิจารณาความตายไปเรื่อยๆถ้าดูตัวเองตายยังไม่รู้เรื่องก็ดูคนอื่นตายก่อนคนที่เรารู้จักก็ตายไปตั้งเยอะและ้วใจมันได้สลดลงว่าไอ้ที่เราแย่งชิงอะไรกันมานี่หาสาระไม่ได้ ถ้าตายยังเอาไม่ลงก็รอพระเสยอ่านละรอพระเมตไตรมาสอนหลปู้เทศท่านบอกนะมีอีกไหมเอาคนจีนภาวนานดีกว่าเมื่อวันน้นแล้ววันนี้ดีขึ้นแล้วละ การภาวนานะขั้นแรกเลยต้อฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองอย่าให้ใจมันหนีไปภาษาจีนมีไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้จิตใจอยู่กับตัวเองไม่ล่องลอยหลงไปในโลกของความคิดเมื่อไรเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดความคิดก็จะปิดบังความจริงเพราะความคิดไม่ใช่ความจริงคิดอะไรก็ได้ เมื่อไรเราหลุดออกจากโลกของความคิดจิตก็จะมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงโลกของความเป็นจริงแล้วก็จะรู้สึกกายรู้สึกใจมีร่างกายมีจิตใจอย่างตอนนี้ใจสงสัยแวบขึ้นมานะทีนี้ใจมันสงสัยขึ้นมาแวบบนึเราก็รู้ไปว่ามันสงสัยพอเราอยู่กับโลกของความเป็นจริงแล้วร่างกายเคลื่อนไหวเราก็จะรู้สึก จิตใจเคลื่อนไหวเราก็จะรู้สึกแล้วเราก็จะเริ่มเห็ น, นร่างกายไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เรามันทำงานของมันได้เองงั้นขั้นแรกของการปฏิบัติก็คือรู้สึกตัวบ่อยๆใจ่ลงไปคิดรู้ทันใจหลงไปคิดรู้ทันนี่ทำไงจะรู้ได้เร็วก็ให้จิตมันมีบ้านให้จิตมันมีเครื่องอยู่เช่นอยู่กับพุโทโธ พุทโธก็เป็นความคิดแต่เป็นความคิดที่เราจงใจคิดเราจงใจคิดคาว่าพุทโธหรือคิดคำอื่นก็ได้จงใจคิดแล้วเวลาเราเผลอมันจะลืมคิดพุทโธมันจะไปคิดเรื่องอื่นแทนนันที่เราหัดพุทโธนะีเพื่อจะได้รู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่น ทันทีที่คิดเรื่องอื่นมันมันจะเลิกคิดพุทโธนั่นจะสังเกตได้ง่ายว่าลืมตัวเองแล้วในสุดจิตไม่จะรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นทีแรกนานๆจะรู้สึกทีนึงฝึกบ่อยๆไม่จะรู้สึกตัวได้ถีขึ้นทีขึ้นหลงสั้นหลงเรื่อยๆตอนนี้บังคับจิตมากไป จิตจะแน่นๆทื่อๆไปก็ให้จิตใจเป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับมันเงยหน้าสิเงยหน้าขึ้นรู้สึกตัวเออจิตต้องเป็นอย่างนี้นะจิตอยู่อย่างนี้ไม่ใช่จิตซึมลงไปนี่จิตอย่างนี้แล้วมันจะเคลื่อนไหวได้ไมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลเราคอยรู้สึกเอา แล่ เ, เราจะเห็นจิตเคลื่อนไหวได้รก็ต้องรู้สึกตัวถ้าเราไปลงอยู่ในความคิดเราก็รู้สึกไม่ได้ อืม hmm. ใช่ภาวนาใช้ได้นะใช้ได้จิตใจก็อยู่กับตัวเองอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจิตใจตั้งมั่นมีสมาธินั่นแหละเราก็เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของใจใจมีความอยากใจก็ดินนด้นรนใจดิ้นรนใจก็มีความทุกขนะ์เพริ่มจักมีความอยาก แล้วก็มีการดิ้นรนปลุกแต่งก็มีความทุกข์สามตัวนี่คือคำว่าวัตตะวัตตะเนี่ยมีกิเลสกิเลสคือตัวอยากมีกรรมคือการกระทางานของจิตมีวิบาก ค, คือตัวทุกข์มีผลวัตตะมันหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนนั้นสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยวนเวียนอยู่ในวัตตะ มีความอยากขึ้นมาใจก็ดิ้นรนไป้อนะ ใ, ใจก็ทุกพอ ใ, ใจทุกก็มีความอยากจะหายทุกอีกก็ดิ้นอีกก็ยิ่งทุกข์อีกนะไม่สามารถตัดวงจรที่มันหมุนมวนอย่างนี้ได้เราอาศัยนะการเจริญสตินะคอยรู้ทันใจเราอยากเราก็รูนะ้ถ้าเรารู้ไม่ทันใจก็ดิ้นรนทํากรรม ถ้าใจดิ้นรนแล้วยังไงก็ต้องมีวิบากยังไงก็ต้องทุกข์นี่พอสติเราเร็วขึ้นใจอยากปุ๊บเรารู้ปับ๊บใจก็ไม่ดิ้นรนใจก็ไม่ทุกข์จะค่อยๆฝึกไปดีขึ้นเยอะเลยเอาหนูบ้างอย่าจงใจโหดเข้ามา มันจะแน่นๆทือๆขึ้นมาเนี่ยขณะนี้ติดเพ่งอยู่นะรู้สึกไหมใจเราไม่ได้เป็นธรรมชาติใจไม่ปลงนะนะใจที่เป็นธรรมชาตินะปลงโล่งเบา ว, ว่องวคล่องแคล่วใจมันเบาๆเรียกาภูตาใจมันนุ่มนวลเรียกว่ามุทุตาใจมันคล่องแคล่ว ว, ว่องว เรียกว่าปาคุณตาใจม่ขยันในการรู้สภาวะมันควรเกการงานนะกรมมัญญาตานะมันซื่อตรงในการรู้อารมณ์รู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงนะเรียกว่าอุชูกตานะใจดวงนี้ไม่มีความโลภใจดวงนี้ไม่โกรธใจดวงนี้ไม่หลงลืมตัวนั่นะนะคือใจที่เป็นกุศลที่แท้จริง ใจที่พวกเรามีกันส่วนใหญ่เป็นใจอกุศลอย่างยิ่งนักปฏิบัติก็ยังใจเป็นอกุศลอีกไปบังคับใจจแน่นๆเครียดเครียดใจที่หนักที่แน่นที่แข็งที่ซึมซึมที่แข็งทืนะ่อๆซื้อบือ้อเป็นอกุศลงั้นเราอยากปฏิบัติเราอยากพ้นทุกข์แต่เราชอบสร้างใจอกุศลขึ้นมา โดยการบังคับตัวเองจนมันเครียดใจที่เครียดเป็นใจที่มีโทสะนะเป็นาคุศลจิตนี่นเราต้องฝึกจนกระทั้งใจเราเป็นกุศลที่แท้จริงวิธีฝึกก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันหลงะเพราะใจที่เป็นอกุศลนะตัวอกุศลมันก็มีโลภหลดหลงตัวโลภจะเกิดได้ต้องหลงก่อน ตัวโกรธจะเกิดได้ก็ต้องหลงก่อนตัวโลบตัวโกรธจะไม่เกิดเดียเด่ยวๆจะต้องมีตัวหลงประกอบด้วยเสมองั้นถ้าเราคอยรู้เท่าทันใจตัวเองใจไม่หลงสัอย่างเดียวนะโลบกับโกรธก็จะไม่เกิดไม่มีโอกาสเกิดเลยความหลงเป็นหัวหน้าของกิเลสเว็ศัตรูตัวร้ายของเราเลยงั้นใจของเราเนี่ยคุ้นเคยที่จะหลง เดี๋ยวก็หลงไปคิดเดี๋ยวก็หลงไปคิดวันวันหนึ่งหลงตลอดเวลานะเราพยายามมาฝึกตัวเองให้รู้สึกตัวได้บ่อยๆทีแรกก็หลงยาวแล้วนานๆก็รู้สึกทีนั้นะพอเราหัดสนใจใส่ใจที่จะคอยรู้เวลาใจมันหลง่อไปพอหลงมันก็จะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนลยนั่นความความหลงก็จะสั้นหลงเรื่อยๆความรู้สึกตัวก็จะเกิดถีขึ้นเรื่อยๆ ฝึกถึงจุดหนึ่งจะไม่มีคําว่าหลงอีกต่อไปแต่ตรงนั้นต้องเป็นพระอรหันต์นะถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ยังมีหลงอยู่ขณะเนี้ยใจมีความสุขรู้สึกไหมเนี่ยกระลุมไปอย่างเงี้ยเมื่อกี้มันไม่ได้สุขมันเครียดวันนี้มันมีปีติแล้วมันไม่ใช่สุขละมันเป็นปีติไปแล้วรู้สึกไหม น, นั่นแหละการมันเกิดปีติแล้วก็รู้ไป สังเกตไหมปิติเริ่มดับแล้วนดูอย่างนี้เราจเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ในใจเราเองตอนนี้หลงแล้วรู้สึกไหมเออนั่นแหละหลงลงไปดูหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมนะหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสในกายหลงไปทางใจหลงทำกรรมฐานบางทีก็หลงไปเพ่งกายวิธีก็หลงเข้าไปในใจ ตอดทนค่อยๆฝึกไปอย่าใจร้อนใจร้อนอยากได้ผลเร็วจะไม่ได้ผลนั่ น, ะ น, อนอยังโลภอยว่ยังใจร้อนอยูนะ่ใจร้อนแล้วมันไม่ได้อะไรใจร้อนมันโลภแทนที่เราจะเอาสติไปปฏิบัติธรรมถนะ้าเราเอากิเลสไปปฏิบัติธรรมนั่เราโลภนะแล้วขยันปฏิบัตนะิยิ่งเครียดหนักก็ไปอีก ของเรามีจุดอ่อนนะฟุ้งซ่านมากคิดมากไปดูตรงนี้เลยงั้นไม่ต้องถามยิ่งถามก็ยิ่งเอาคำตอบไปคิดเอาไปคิดก็สงสัยหาคำถามมาถามอีกนะได้คำตอบก็เอาไปคิดอีกงั้นอย่าเรียนด้วยวิธีนี้เรียนด้วยการวัดใจตัวเองเลยใจมันอยากรู้รู้ว่าอยากใจมันสงสัยรู้ว่าสงสัยใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนัน อย่าไปตามใจมันถ้าถามหลวงพ่อตอบให้เราก็จำไว้แล้วก็ไปคิดต่อแล้วก็ไปสงสัยเรื่องใหม่ล้วก็มาถามอีกก็วนเวียนอย่างนี้นะไม่รู้จักจบสิ้นสงสัยดูเข้าไปที่ความรู้สึกสงสัยความรู้สึกสงสัยก็จะเกิดแล้วก็ดับให้ดูนะตรงนั้นเราได้เจริญปัญญาแล้วคำถามในการปฏิบัตินะ แทบจะไม่จําเป็นเลยถ้าเราดูสภาวะของตัวเองได้คําถามทั้งหลายนะที่จําเป็นอนะก็คือคําถามที่ว่าจะรู้สภาวะได้ยังไงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนก็คือเราจะปฏิบัติยังไงเราจะรู้สภาวะได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็ทําหน้าที่ตรงนี้เท่านั้นเองสอนให้เรารู้วิธีปฏิบัติ การปฏิบัติก็คือหัดรู้สภาวะไปนี่พอท่านสอนอย่างนี้แล้วหน้าที่ที่เหลือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเดินด้วยตัวเองอยากก่าเกาะแข้งก่อขาอาจารย์แล้วค่อยถามทั้งวันนะอย่า ก, ก่อกระทั่งจีวรพระพุทธเจ้าถึงไม่เกาะชายจีวรพระพุทธเจ้าก็ไม่ทําให้บรรลุมรรคผลต้องอ่านใจตัวเองให้ออกถึงจะบรรลุมรรคผลได้ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางพอท่านบอกทางทางอะไรทางปฏิบัตินะสอนให้เรารักษาศีลให้เราฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเองนั่นคือตัวสมาธิให้เราเจริญปัญญาคือดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจดูกายก็ได้ดูใจก็ได้แล้วแต่ถนัดถึงดูกายแล้ววันหนึ่งมันก็เข้ามาที่ใจ งั้นถ้าเราดูที่ใจได้เลยแล้วก็ดูใจของเราไปเลยนะเพระพุเจ้าก็สอนนะผู้ใดาตามรักษาจิตที่รักษาได้ยากผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารกานตามรักษาจิตนะสติี่เป็นคนรักษาจิตไม่ใช่เรารักษาเรามีหน้าที่ฝึกสติให้เร็วขึ้นเรืเร่อยๆนะจิตมันเคลื่อนไหวสติรู้ทันจิตเคลื่อนไหวสติรู้ทันส่วนใหญ่จะเคลื่อนไปคิด ก็เคลื่อนไปเพ่งคนในโลกมันก็เคลื่อนไปคิดนับปฏิบัติถ้ไม่เคลื่อนไปคิดก็เคลื่อนไปเพ่งมีสองงนใจไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้ฝึกอย่างนี้ฝึกมากเข้ามากเข้าสติมะเร็วขึ้นเรื่อยๆสมาธิมันก็สมบูรณ์ขึ้นสมาธิเราเสียเพราะกิเลสมันพาให้ใจฟุ้งซ่าน พิสนีคนนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะจิตดีขึ้นมากมากเลยดีนี่แหละคือความรู้สึกตัวที่แท้จริงในตอนนี้มันมีปิติรู้ว่ามันมีปิติเนะ่นรู้ไปเราก็จะเห็นวนะ่าปิติเกิดได้เองปิติอยู่ชั่วคราวแล้วปิติก็าหายไปนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกับตัวปิติตะกี้นี้นะ เมื่อจิตเราถูกต้องแล้วเนี่ยสภาวะมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงขึ้นมาให้เราดูเราก็าตามรู้ตามดูจเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไป น, นั่นแหละคือการปฏิบัติที่แท้จริงไม่มีคำถามนึกออกไหมมันไม่มีคำถามเพราะมันเห็นอยู่แก่ใจตัวเองมันไม่มีคำถามคาถามเกิดจากการหลงิด ้เราเห็นสภาวะแล้วคำถามไม่ใช่ของจำเป็นแล้วอของพลุงพลังในยใจมันมีปิติเราก็รู้ว่ามีปิติปิติเกิดแล้วปิติก็ดับจุดสำคัญก็คือใจต้องทรงสมาธิแบบนี้ไปฝึกเรื่อยๆไปแต่ไม่รักษานะมีสมาธิขึ้นมาก็แค่รู้ว่ามีนะไม่รักษามันจะเสื่อมก็เรื่องของมันเราก็ปฏิบัติใหม่เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีก ไม่พยายามรักษาสิ่งที่ดีนะสมาธิที่ดีจิตตั้งมั่นเราไม่รักษาเราจะปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาตินะแล้วธรรมะจะแสดงตัวให้เราเห็นเองอย่างไม่แคี้ยปีติเกิดตอนนี้จิตหลงคิดแล้วนะจิตหลงไปคิดก็รู้ว่าจิตหลงคิดนะพอเรารู้ทันว่าจิตหลงคิดจิตหลงคิดก็ดับนะใช้ได้ภิกษุณีนี่ดี ไปต่อวีซ่าที่ไหนมาเนาะเดือดดีแล้วนะได้พาวนาไปพาวนามาได้ดีแล้วนะตอนนี้ไม่ดีแล้วตอนนี้กลัวมันจะไม่ดีเลยเริ่มบังคับแล้วมันจะแน่นแนขึ้นมานั้นใจเราจะผิดอยู่สองอย่างอันหนึ่งหลงไป อันหนึ่งบังคับอยู่นะนักปฏิบัติจะผิดสองอย่างไม่หลงไปก็บังคับไว้ขณะนี้บังคับแล้วมันไม่ใช่ใจรู้อย่างตะ ก, กี้ละนะใจมันจะแน่นแน่นแต่ว่ามันเป็นธรรมดาเราห้ามมันไม่ได้มันจะบังคับก็ห้ามมันไม่ได้พิสุนีฝึกไว้นะอีกหน่อยจะได้กลับไปสอนที่เมืองจีนหันไปทงโน้นนะหันไป หน่อยนะคนไทยมันขี้เกียจภาวนาให้มันไปเรียนที่เมืองจีนเอให้เข็ดเลย